แล้วก็ท่านผู้ฟังทุกทุกท่านด้วย <define. S 1> ก็จะต้องเก็บคำถามต่างๆเอาไว้ถามท่านเพรียบุย์ในวันต่อๆไปนะคะวันนี้ในมสการขอบพระคุณพระอาจารย์เพบูบุอภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกเอาไว้ในโอกาสนี้ค่ะนมหการมใชเจรินจจพร<อ>